บัดนี้จักได้แสดงธรรมกะถาสืบต่อไปจงผากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเถิดสองผู้มีปีติเป็นภักษาพระพุทธภาสิทธิพระองค์ทรงตรัสว่าสุสุ ข, ขัง วัตชีวามะเยสันโนนัติกินจนังปีติพักขาพวิสสามะเทวาอภัสรายถาแปลว่าเราเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลมีชีวิตอยู่สบายจริงหนอมีปีติเป็นภักษาเหมือนเทพชั้นอภัสระพระอัตถกถาอธิบายว่ากิเลสเครื่องกังวลมีราคะาเป็นต้น อันแสดงว่ายังมีกิเลสอื่นอื่นอีกหลายอย่างอันเป็นเครื่องกังวลจะขอนำมากล่าวเพียงบางประการแต่ขอกล่าวถึงราคะตามนยะแห่งพระอาทิตยจารย์ไว้เป็นเบื้องต้นความกังวลเพราะคือความห่วงใยความกระสับกระส่ายของดวงจิตโดยมันจะตรงกับที่ภาษาอังกฤษใช้ว่า a n x t ไม่รู้ถูกหรเปล่านะซึ่งหมายความว่ารู้สึกกลัวหรือรู้สึกไม่แน่ใจเกี่ยวกับอนาคตหรือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่รู้แน่ชายหนุ่มที่รักหญิงสาวหรือหญิงสาวที่รักชายหนุ่มแต่ยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะรักตนตอบหรือไม่นั้นย่อมมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นในใจเป็นอันมากจนถึงกินไม่ได้นอนไม่หลับ นั่งยืนเดินก็คุ้นคิดอยู่แต่เรื่องนั้นนี้เรียกว่าความรักหรือราคะเป็นเหตุให้กังวลความกังวลเช่นนี้ของพระพุทธเจ้าไม่มีอีกอย่างหนึ่งคือความกลัวมนุษย์เราสร้างความกลัวขึ้นหลอกตัวเองได้มากกลัวคนจะไม่รักกลัวเขาจะนินทากลัวว่าจะสอบตกกลัวจะสู้เขาไม่ได้กลัวอ้วนเกินไปกลัวผอมเกินไป กลัวโรคที่เกิดแล้วเล็กน้อยกลัวโรคที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นกลัวจนกลัวภายในอนาคตอันยังมองไม่เห็นสารพัดที่นึกกลัวไปบางคนกลัวโรคจะจนเป็นโรคคือเป็นโรคกลัวโรคนั่นเองอย่างไรก็ตามหนังสือประเภทจิตวิทยาในชีวิตประจำวันบอกเราว่าเหตุร้ายที่เรานึกกลัวไปต่างๆนานา น, านั้น 90% อร์เซนต ไม่เกิดขึ้นจริงสมมติว่ามีเรื่องที่เรานึกกลัวอยู่สิบเรื่องด้วยกันเก้าเรื่องไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเหลืออีกเรื่องเดียวอาจเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้เมื่อเป็นดังนี้ความวิตกกังวลเก้าเรื่องนั้นเป็นความทุกข์กินเปล่าที่เราสร้างมันขึ้นมาเองความกังวลเรื่องเงินนั้นมีอยู่ทั่วไปแทบทุกครอบครัวอย่างน้อย75็เอร์เซ็นของครอบครัวที่ มีความกังวลเรื่องเงินทองที่ใช้จ่ายในครอบครัวบางคนหรือบางครอบครัวกังวลเพราะมีเงินไม่พอวงเล็บสาเหตุที่ไม่พอนั้นไม่ต้องวิจารณ์บางคนมีหนี้สินมากแต่บางคนกังวลเพราะอยากได้มากเกินไปที่ได้มาไม่ทันกับความอยากเพราะความอยากมันพุ่งออกหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซีนิกา้าปราดยิ่งใหญ่แห่งโรมสมัยโบราณได้กล่าวไว้ว่าถ้าสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ได้ทำให้ท่านพอใจท่านก็ยังไม่พอใจอยู่นั่นเองแม้ว่าโลกทั้งโลกเป็นของท่านปราดโบราณรวมทั้งพระพุทธเจ้าของเราด้วยมักสอนให้คนมีความสุขจากความพอใจในสิ่งที่ตนมีหรือเป็นแต่ไม่ได้สอนให้หยุดความบากบั่นพยายามเพื่อความดีขึ้นไปอีกจนถึงที่สุด แต่ปราชสมัยใหม่บางท่านมักสอนให้คนมีความทะเยอทะยานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดรวมความว่าสิ่งใดเป็นความวิตกกังวลของชาวโลกสิ่งนั้นไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพระองค์จึงเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลแม้จะไม่ได้อาหารอย่างคนสามัญก็สามารถยังชีพอยู่ด้วยปีติเหมือนพวกเทพอาพัสรมีความสุขอยู่ได้ เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงพระทรงปรารบมารขณะที่พระองค์ประทับอยู่ในบ้านพราหมณ์ชื่อปัญจสาระมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิมักของหญิงห้า้อคนจึงเสด็จไปยังบ้านปัญจสาละหรือปัญจศาลาวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์พวกหญิงสาวเหล่านั้นไปอาบน้ําที่ท่าน้ําแล้วพากันเข้าไปในบ้าน พระศาสดาก็เสด็จไปบินทบาทในหมู่บ้านนั้นมานเข้าเสียงในสรีระของชาวบ้านทั้งสิน้นทำให้พระศาสดาไม่ได้อาหารจากใครเลยแม้ทัปีเดียวแล้วมานออกมายืนอยู่ที่ประตูบ้านทูลพระศาสดาซึ่งกำลังเสด็จออกมาว่าสมณะท่านได้ก้อนข้าวบ้างไหมก็ท่านไม่ใช่หรือที่ทำให้เราไม่ได้ก้อนข้าวคือบิณทบาตพระศาสดาตรัส โอถ้าอย่างนั้นเชิญเสด็จเข้าไปอีกทีสิมานว่ามันพูดอย่างนั้นเพราะตั้งใจว่าหากพระศา ส, สดาสเสด็จเข้าไปอีกมันจะเข้าสิงสรีระของคนทั้งปวงแล้วปรบมือเยาะเย้ยพระองค์ขณะนั้นหญิงสาวห้าร้อยคนมาจากท่าน้ําถึงประตูบ้านเห็นพระศา ส, สดาแล้วจึงถวายบังคมยืนอยู่ฝ่ายมานทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ไม่ได้ก้นข้าว ไม่ทุกข์เพราะความหิวหรือพระศ า, าสดาตัดตอบว่าดูก่อนมานผู้มีบาปถึงเราจะไม่ได้อาหารอะไรในวันนี้เราก็สามารถอยู่ได้ด้วยการมีปีติเป็นพักษาดังเทพชั้นอาพัสรดังนี้แล้วตัดพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นและได้ธิบายมาแล้วมีอาธิว่าเราไม่มีกิเลสให้กังวลอยู่สบายดีหรอ เมื่อจบพระธรรมเทศนาหญิงสาวห0 0รคนได้บรรลุโสดาปติผลความสุขไม่ได้อาศัาายแต่วัตถุทางร่างกายอย่างเดียวเนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นทางจิตใจที่เราสร้างขึ้นเอาไว้เนี่ยจนกระทั่งว่ามีความชำนาญในด้านทางจิตเนี่ย ก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งที่ท่านเรียกว่าสร้างปีติให้เกิดขึ้นได้นี่ก็คลายความหิวภายนอกแล้วก็มีความสุขภายในท่านเรียกว่ามีปีติแทนบินทบาทหรือก้อนข้าวอันนี้จะมีได้กับพระอริยเจ้าที่ท่านฝึกจิตของท่านได้จนกระทั่งว่าจะอยู่ด้วยปีติสุขหรือด้วยฌานด้วยสมาธิ ไม่ทานข้าวหลายวันก็ได้เหมือนกับพระอริยเจ้าที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่ได้หลายวันแต่ท่านก็อยู่ได้เช่นเรื่องจิตใจจะเป็นเรื่องที่สาคัญแม้ไม่มีถึงขนาดนั้นแต่ด้วยความฝึกขัดปฏิบัติอย่างพระฤรือูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกไว้ดี คือต้องฝึกลำบากไว้ก่อนเนะี่ยให้มันรู้กับความลำบากนะเนี่ยใช่ถ้าผู้ปฏิบัติแต่ก่อนบางทีก็อาจจะไม่ฉันอาหารบ้างวันสองวันหรือ7วันบ้างหรือบางที10วัน15วันแล้วแต่กําลังของใครบางคนก็คิดว่าทําอย่างนั้นไม่เป็การทรมานหรือไม่เป็นอัตกิรัมภายโยกที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่ามันผิดทางหรือ คือถ้าจะว่าไปแล้วมันไม่ผิดเป็นการฝึกจิตฝึกจิตให้มีกําลังให้แกร่งเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความหลงเนี่ยถ้าปฏิบัติเพื่อความหลงก็คือถ้าอดข้าวแล้วปฏิบัติอดข้าวแล้วจะได้ไปนิพพานอย่างนี้หลงแน่เนี่ยแต่เป็นการฝึกให้มีกำลังกำลังใจเนี่ยจะเห็นได้ก็คือเวลาไปในที่ลําบากที่กันดารได้อาหารไม่พอฉั น, นหรือไม่ได้เลยก็มีนี่ย พระที่ท่นฝึกดีแล้วเนี่ยถึงจะได้น้อยถึงจะไม่ได้เลยท่านก็ยังมีความสุขของท่านพอใจเนี่ยพอใจที่จะอดไม่ได้ไปโทษว่าเป็นเพราะคนไม่ศรัทธาอย่างนน้นอย่างนี้นะเนี่ยถ้าจะโทษว่าเออเราบา ร, รมีอย่างไม่มากเน่ยมารก็ยังไปปิดสายหูสายตาของคนอยู่เหมือนองคตเจ้าท่านก็ยังมีมารเนาะมารมันก็ยังตามรังควานเนี่ย ไม่ให้คนดนใจคนไม่ให้ใส่บาตว่าอย่างนั้นแต่ว่าผู้ที่ฝึกจิตได้ดีก็สามารถอยู่ได้วันหนึ่งนีสบายหรือสองวันสามวันนี้จิตใจก็สบายอยนั่นคือการฝึกนะถ้าไม่ฝึกนี่โอ้ยโยไม่ได้กินมือเดียวจะเป็นลมแล้วไม่ต้องอดเป็นมือเลยนะไปเป็นวันนะมือเดียวเท่านั้นแหลนะเนี่ยก็จะเป็นลมเป็นแรงเนี่ย มันก็จะต่างกัน 3. ผู้สงบอยู่เป็นสุขพระองค์ทรงตรัสว่าชยังเวรังปะสะะตัตวติทุกขังเสติปราชิโตอปัสสันโตสุ ข, ขังเสติอิตวาชะยะปราชะยังแปลว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ ผู้สงบละความชนะและความแพ้ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขฟังให้ดีๆนะฟาสิทถวนนี้ก็ได้ผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมนอนไม่หลับแต่ผู้สงบละความชนะและความแพ้ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขมีสามประโยคสามตอนอธิบายความ ในการแข่งขันในการรบย่อมมีแพ้มีชนะคู่แข่งขันและคู่รบย่อมหวังชัยชนะแก่ฝ่ายตนจึงพยายามเพื่อให้ความชนะนั้นมีแก่ตนเมื่อชนะแล้วมีความพอใจปลื้มใจบันเทิงใจบางคนถึงกับระเริงใจหลงไปว่าเก่งกล้าสามารถเป็นล้นพ้นแล้วอวดอ้างหรือโอ้อวดชัยชนะนั้นอย่างไม่หยุดหย่อน จนเป็นเหตุให้เป็นที่เกลียดชังข้องขนทั้งหลายนิทานเรื่องไก่กับเห ย, ยวน่าจะเป็นคติสอนใจอันดีแก่ผู้หลงระเริงทั้งหลายไก่ตัวผู้สองตัวตีกันตัวแพ้วิ่งหนีไปส่วนตัวชนะบินขึ้นบนกำแพงกระพือปีกก่งคอขันอย่างลำพองขณะนั้นเหยี่ยวใหญ่ตัวหนึ่งบินผ่านมาเห็นแล้วจึงโฉบลงมาพาเอาไก่ตัวนั้นไปเป็นอาหาร ผู้ชนะแล้วทรน ong ลำพองมักประสบความพินาศเสมอนิทานเรื่องไก่กับเปี่ยวน่าจะเป็นคติอันดีสําหรับผู้ชนะเมื่อต้องการรักษาความชนะของตนให้มั่นคงก็ควรเสี่ยมเจียมตนให้มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามผลเสียของผู้ชนะมีอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการก่อเวรไปในตัวคือเป็นที่ไม่พอใจของฝ่ายแพ้ฝ่ายแพ้ ย่อมจะต้องคิดแก้ตัวอยู่เสมอเพื่อทวงเอาชัยชนะคืนมาฝ่ายชนะจึงไม่เป็นที่รักของฝ่ายแพ้กีฬาในร่มบางอย่างผู้เล่นที่มีน้ำใจอารีแม้จะเป็นผู้มีฝีมือดีแต่แกล้งหย่อนฝีมือทำแพ้เสียบ้างเพื่อเอาใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เขามีกำลังใจเล่นต่อไปอาการอย่างนี้แม้จะแพ้บ้างในเกมกีฬาแต่ก็ชนะใจคู่เล่น การคบมิตรก็เหมือนกันคนใดตั้งใจจะเอาชนะเพื่อนอยู่เสมอย่อมไม่ได้รับความรักจากเพื่อนตัวอย่างในวงสนทนาเมื่อยกปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอภิปรายหรือสนทนาเพื่อหาความรู้ความเข้าใจคนที่พยายามจะเอาชนะเพื่อนโดยแสดงความคิดเห็นมากปากแข็งหัวรั้นนอกจากไม่ได้รับความรักความพอใจจากเพื่อนแล้วยังทาให้หน้าเบื่อนหน่ายเสอีกด้วย ส่วนคนที่อดออมถ้อยคํามัตยัดในความคิดเห็นสนับสนุนถ้อยคําอันเหมาะสมของผู้อื่นตามสมควรนั่นต่างหากที่เพื่อนชอบสามารถเอาชนะใจเพื่อนได้ในวงสมาคมด้วยประการดังกล่าวมานี้ความชนะแม้จะมีส่วนดีอยู่มากแต่ก็มีส่วนเสียอยู่บ้างเหมือนกัน ที่มีส่วนดีร่ำล้นก็เห็นมีแต่ความชนะกิเลสจนเป็นสมุเฉษประหารเข้าถึงพระนิพพานไปเลยทีเดียวชัยชนะชนิดนั้นท่านเรียกว่าความชนะที่ไม่กลับแพ้เป็นชัยชนะอันสูงสุดสามีภรรยาที่ต้องการอยู่กันยืดยาวก็ควรจะต้องรู้จักแพ้บ้างไม่ควรเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งเสียร่ำไปโปรโดจาไว้ว่าทุกครั้งที่ยอมแพ้ในเรื่องการโตเถียง ในเรื่องครอบครัวหรืออื่นๆย่อมชนะใจอีกฝ่ายหนึ่งทุกคราวการชนะใจดีกว่าชนะในการโต้เถียงเรื่องความคิดเห็นและก็มีเทคนิคสำคัญอยู่ประการหนึ่งคือฝ่ายชนะต้องทาทีเป็นเหมือนไม่สนใจในความชนะของตนไม่ซ้ำเติมผู้แพ้ให้อายถ้าพูดให้กำลังใจหรือช่วยกู้หน้าอีกฝ่ายหนึ่งได้ยิ่งดีเช่นพูดว่า ในเรื่องนี้ฉันก็เคยพลาดมาหลายครั้งแล้วจึงทำให้จำแม่นไม่พลาดอีกส่วนคุณไม่ค่อยพลาดพลาดไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาดังนี้เป็นต้นเมื่อเป็นดังนี้ฝ่ายหนึ่งก็จะไม่เสียหน้าเขาแพ้จริงแต่เขาไม่จองเวรเรากลับเห็นเราเป็นมิตรที่ทำให้เขารู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นการรู้จักแพ้รู้จักชนะนั้นเป็นการแสดงน้าใจนักกีฬาหรือใจนักเลง วงเล็บตามความหมายในภาษาไทยเดิมคราวนี้พูดถึงผู้แพ้จริงอยู่โดยปกติไม่มีใครอยากแพ้แต่เมื่อมีการแข่งขันหรือการรบก็ต้องมีแพ้มีชนะหรืออาจเสมอกันในบางครั้งบางคราวท่านว่าผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ขุนศึกออกสงครามเมื่อแพ้กลับมาฆ่าตัวตายก็มีมานอนเป็นทุกข์จนป่วยหนักแล้วตายไปเพราะความตรอมใจก็มี บางคนแพ้การพนันหมดตัวนอนเป็นทุกข์จนไม่อาจหลับได้เป็นโรคประสาทไปก็มีบางคนเถียงสู้เขาไม่ได้มานอนเป็นทุกข์อยู่หลายคืนพวกนักการเมืองเป็นตัวอย่างได้ในเรื่องนี้รวมความว่าผู้แพ้นอนเป็นทุกข์ส่วนผู้สงบระความชนะและความแพ้ได้แล้วนอนเป็นสุขที่ว่าละความชนะความแพ้ได้แล้วนั้นคือไม่ชนะไม่แพ้เพราะไม่แข่งขันกับใคร ไม่ทะเลาะกับใครไม่รบกับใครจึงสงบและอยู่เป็นสุขในอัตกถาท่านหมายเอาพระขีณาสพารหันพระอรหันผู้ละกิเลสมีราคะเป็นต้นได้แล้วจึงถึงความสงบเต็มที่เรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงขณะที่ประทับอยู่ณนะเชตวนารามเมืองสาบถีทรงปรารบความแพ้ของพระเจ้าเปรธิโกสนมีเรื่องย่อหนังนี้ อาศัยเรื่องกาศิกกะคำเป็นเหตุกาศิกกคามมีอาณาเขตกว้างขวางตั้งอยู่ระหว่างแควนมกฏกับแควนโกศลเมื่อพระนางเวเทหิพระกณิทถพรกินีของพระเจ้าพระเศนทีโกศลทรงกัพิเศษสมรสมรสสมรสกับพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแควนมคฏนั้นพระเจ้ามหาโกศลพระราศิดาของพระนางเจ้าได้พระราชทานกาศิกกะคำให้เป็นของรับ ไว้ต่อมาพระเจ้าอาชาติสตรูปร o งพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระนางเวเทหิสิ้นพระชนด้วยโรคตรอมพระไทยพระเจ้าประเสนธิโกศลส่งทวงกาศิกขามเพราะทรงถือว่าพระราชบิดาทรงยกให้แก่น้องสาวเมื่อน้องสาวสิ้นพระชนแล้วกาศิกขามก็ควรจะตกเป็นของพระองค์แต่พระเจ้าอาชาติสตรูไม่ยินยอมคืนให้ทรงมีเหตุผลว่าของพระราชมารดาควรจะตก เป็นของพระองค์ด้วยประการชนนี้สงครามแย่งการศริกามก็เกิดขึ้นพระเจ้าเปรส็นทิโกสนทรงแพ้ถึงสมครั้งแต่พอครั้งที่ 4, ส่ทรงชนะจับพระเจ้าอาชาศัตรูได้แต่ทรงเห็นว่าเป็นหลานจึงให้ปล่อยไปเพียงแต่ริบไพรพลไว้ขยายความให้ อาศัยเรื่องกาศิกขามเป็นเหตุพระเจ้าประเสณทิโกศลได้รบกับพระเจ้าอาซาสตรูผู้หลานของพระองค์ทรงแพ้พระเจ้าอาศาสตรูถึงสามครั้งในครั้งที่สมนั่นเองทรงดัริีว่าเราแพ้เด็กที่ปากยังไม่สิ้นกิ่นน้ำนมอย่างนี้จะอยู่ไปทําไมให้อับอายขายหน้าตายเสดีกว่าทรงดัมบีอย่างนี้แล้วจึงทรงอดพระกยาหารบรรทมอย่างเดียวเรื่องนี้รู้กันไปนทั่วนครสาวัตถี ภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าทราบเรื่องนั้นจึงกราบทูลพระพุทธองค์ให้ทรงทราบ พ, พระศาสดาจึงตรัสว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ผู้สงบระงับละความชนะและความแพ้ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นอันนี้ก็คือพุทธภาสิต ท, ที่มีที่ไปที่มาเป็นขอ้ขอคิดข้อเตือนใจนี่ เราอยาวังแต่เอาชนะคนอื่นพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าการชนะตนนั้นประเสริฐที่สุดการชนะคนอื่นก็มีแต่การก่อเวรไม่มีที่สิ้นสุดบางทีเราลืมบางทีปฏิบัติธรรมเรียนธรรมก็ลืมเหมือนกันคิดแต่จะเอาชนะอย่างเดียวถ้าชนะชนะแบบโลกมันไม่ไม่ประเสริฐ ท่านถือว่าถ้าจะเอาชนะชนะกิเลสดีกว่าเนี่ยถ้าเอาชนะกิเลสได้นั้นเป็นการชนะที่เรียกว่าไม่กลับแพ้เนี่ยถ้าชนะคนโน้นคนนี้มันก็มีแพ้แล้วก็มีการจองเวรจองกรรมกันด้วยเนี่ ย, ยถ้าเอากิเลสมาว่า ก, กันมันก็เป็นเรื่องกิเลสเนี่ยดังที่กล่าวแล้วเมื่อคืนนี้ก็พูดถึงว่าถ้าเราคิดว่าเรามี เราเป็นเราเราเป็นตัวตนหรือตนเป็นของเราเนี่กิเลสพวกนี้มันก็จะประเดประดังกันเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้เราลืมนึกถึงคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยทำให้เราห่างไกลาจากธรรมะเนี่ย เ, เลยเกลายเป็นผู้ที่เปิดทางให้กิเลสวิ่งเข้ามากลูเข้าม า, าสุดท้ายก็หน้ามืดมมมเพราะอะไรถึงมืดเพราะอาวิชชาไงเพราะโมหะมันเข้ามาปิดบังเนี่ย พอมืดแล้วก็มองไม่เห็นแสงสว่างคือธรรมะเนี่ยเมื่อไม่เห็นแสงสว่างก็อวิชามก็นําไปนําไปสู่กิเลสนําไปสู่ตัณหานี่ตัณหาเมื่อมากขึ้นก็ไม่ต้องพูดถึงละทีนี้มันก็ย่ายีเราตลอดเวลาเนี่ยก็เป็นทุกข์กันแหละเป็นทุกข์ทั้งสองฝ่ายนีย่ผู้แพ้ก็เป็นทุกข์ผู้ชนะก่อเวรว่าไปแล้วก็ทุกข์ทั้งสองฝ่ายนี่แหละผู้ไม่แพ้ไม่ชนะจึงเป็นผู้สงบรำงับเนี่ย น, นี่ใหดังพระองค์ที่ตัดเป็นพุทธภาษิตนี้อันนี้ก็เป็นข้อคิดที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ทุกการทุกเวลาทุกสถานที่ 4. สันติสุขพระองค์ทรงตรัดว่านัตติราคะสมโออคินัติโทสะสมโอกะลินัติขันธสมาทุก ข, ขานัติสันติวรังสุขขัง แปลว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกเสมอด้วยการบริหารขันไม่มีความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้ก็เป็นภาสิตที่ทันสมัยอยู่เสมอนะทุกยุคทุกสมัยเป็นพันพันสองพันหรือจะสามพันปีแล้วเนะี่ยพาสิตนี้ก็ยัง เป็นสัจธรรมเป็นความจริงอยู่ตลอดและก็ทันสมัยตลอดไม่ล้าสมัยอธิบายความว่าท่านว่าไฟคือราคะนี้แม้ปราศจากควันไร้แสงแต่มีความรุนแรงเผาไหมภายในของสัตว์ให้เลาร้อนกระวนกระวายอยู่เสมออันหนึ่งไฟธรรมดา น, นั้นแม้จะเผาก็เผาได้เพียงอัตภาพเดียวคือชาติเดียวตายแล้วก็แล้วกันไป ส่วนไฟคือราคะนั้นตามเผาอยู่ทุกชาติทุกชาติจนกว่าจะดับมันได้แล้วเข้าสู่พระนิพพานอันบร ม, มสุขราคะแปลว่าความกำหนัดย้อมใจประดุจสุราเหมือนกันมีสามระดับคือ 1. กา ร, รมราคะความกำหนัดพอใจในกา ร, รมคุณมีรูปที่สวยงามเป็นต้น 2. รูปราคะความติดใจในรูปฌานสี่ความพอใจติดใจในรูปประพบ 3. อรูปอรูปราคาความติดใจในอรูปฌาน 4. ความพอใจติดใจในอรูภพราคะดังกล่าวนี้ละเอียดขึ้นไปโดยลำดับการมราคะนั้นพระอนาคามีหวงเลพพระอริยบุคคลชั้นที่สละได้ส่วนรูปราคะและอรูปราคะพระอรหันต์จึงละได้ที่ว่าราคาติดตามเผาไปทุกชาติและหลายชาตินั้น ทุกคนได้มองเห็นอยู่แล้วว่ามนุษย์และสัตว์มีราคะเป็นเพื่อนอยู่ทั้งสิน้นยกเว้นพระอนาคามีและพระอรหันต์ขนาดพระโสดาบันและพระสกทาคามีก็ยังมีราคะอยู่ท่านว่าราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วส่วนโมหันั้นมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยราคะมีโทษน้อยทั้งโทษทางโลกและโทษ อันเป็นวิบากคือกรรมอันจะติดตามให้ผลต่อไปจริงอยู่มารดาบิดาพี่สาวน้องสาวอาจทำอาวาหะวิวาหะมงคลกันได้กับพี่ชายน้องชายเพราะราคะนี่คือโทษทางโลกแต่เมื่อบุคคลมีสรัทธาสันโดษคือพอใจในคู่ครองของตนอยู่การเกิดในอบายเพราะราคะเป็นเหตุหามีไม่ดังนั้นราคะจึงชื่อว่ามีโทษน้อยวงเล็บเกี่ยวกับ เรื่องวิบากในอนาคตที่ว่าคลายช้านั้นเพราะติดตามไปนานเหมือนน้ำมันกับขเมานำมาคุกเข้าเข้ากันย่อมล้างออกยากแม้ไปสู่พบอื่นคืสองสามพบแล้วก็ไม่คลายลงดังเรื่องต่อไปนี้บุรุษผู้หนึ่งประพฤติกาเมสมิจฉาจาร์กับภรรยาของพี่ชายหรือพี่สะั้ยหญิงนั้นรักชู้มากกว่าสามีตน นางยุให้ชู้คือน้องชายค่าสามีของหล่อนหรือพี่ชายเสียเพื่อกันเสียงครหาเมื่อถูกรบเรา้าบ่อยเข้าน้องชายจึงตกลงใจฆ่าพี่ชายตามความปรารถนาของหญิงฝ่ายชายผู้เป็นสามีแม้จะถูกฆ่าตายแล้วก็ไม่อาจสละความรักในภรยาของตนได้ไปเกิดเป็นงูใหญ่อยู่ในเรือนนั้นมันไม่ทาร้ายหญิงนั้นแต่เมื่อหญิงนั้นนั่งหรือยืนอยู่ที่ใด มันจะเลื้อยไปพันสรีระของเธอหญิงนั้นคิดว่างูอาจเป็นสามีที่ตายมาเกิดจึงให้คนฆ่าเสียงูนั้นไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านนั้นเที่ยวติดตามหญิงนั้นไปทุกขนทุกแห่งหญิงนั้นฆ่ามันเสอีกตายแล้วไปเกิดเป็นลูกโคในบ้านนั้นเที่ยวติดตามหญิงเจ้าของอยู่หญิงนั้นให้ฆ่ามันเสียอีกถึงกระนั้นก็ตามความสเสน e h ามิได้หมดไปจากจิตของผู้ถูกฆ่า มันไปเกิดในคันของหญิงนั่นเองเด็กนั้นรู้รสชาติได้รู้ว่าตนถูกฆ่าโดยหญิงนั้นมาทึ้งสี่ชาติติดติดกันจึงไม่ยอมให้มารดาถูกต้องตัวเลยมารดาวิดาจึงให้อยู่กับยา่าเมื่อรู้ความแล้วได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้ย่าฟังย่าและปู่ฟังแล้วสลดใจจึงพาเด็กนั้นไปบวชไม่นานนักได้สำเร็จอรหัตผล นี่แสดงถึงความคลายช้าของราคะส่วนโทษะที่ว่ามีโทษมากแต่คลายเร็วนั้นมีอธิบายว่าเมื่อบุคคลเกิดโทษะอาจทำกรรมแรงๆเช่นการทุบตีมารดาบิดาพี่หญิงน้องหญิงหรือปัทุสร้ายบรรพชิตเป็นต้นย่อมได้รับการติเตียนเป็นอันมากหากถึงขั้นอนันตริยกรรมด้วยแล้วก็จะมีโทษยิ่งขึ้นเมื่อตายแล้วย่อมจะต้องตกนรกเพราะกรรมอันมีโทษะเป็นมูล น, นั้น อย่างนี้แสดงว่ามีโทษมากทั้งโทษทางโลกวงเล็บเช่นการถูกจองจําทําโทษและโทษทางวิบากเช่นนรกและกําเนิดสัตว์ดีรฉานส่วนที่ว่าคลายเร็วนั้นคือเมื่อเขากระทําผิดแล้วแสดงโทษเสียยังบุคคลนั้นให้อภัยกรรมของเขาย่อมกลับเป็นปกติดั้งเดิมพร้อมกับการให้อภัยของคนที่เขาร่วมเกิน พาเหตุที่โทสะมีโทษมากอย่างนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่านัติโทะสะโมกลิเท่ากับแปลว่าโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีโทสะแปลตามตัวว่าประทุษร้ายคือมีจิตคิดประทุษร้ายผู้อื่นแต่ก่อนที่จะทำลายคนอื่นฤทธิแห่งโทส่ย่อมเผาไหมบุคคลผู้นั้นก่อนเหมือ น, นคนจับไฟคิดจะปาคนอื่นไฟย่อมไหมมือผู้นั้นก่อน โทษแห่งโทสะนั้นมีอยู่มากทั้งทางร่างกายและจิตใจทางร่างกายท่านว่าทำให้อ่อนเพลียนอนไม่หลับเราจะสังเกตว่าหลังจากความโกรธหรือโทสะได้ผ่านพ้นไปแล้วเราจะรู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกติมันทำลายสุขภาพทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและอาจเป็นโรคหัวใจพิการได้ในลำดับต่อมาคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วถ้าเกิดโทสะขึ้นอย่างรุนแรง อาจตายในปัจจุบันทันด่วนได้เชคสเปียร์กวีเอกของอังปิษได้กล่าวไว้ว่าอย่า ก, ก่อไฟให้ร้อนจัดเพื่อเผาศัตรูของท่านเพราะมันจะเผาตัวท่านเองอย่างช้าๆความโกรธแค้นทำให้ใจเศร้าหมองขุนมัวเร่าร้อนกระวนกระวายจะนั่งจะนอนก็ไม่มีความสุขนั่นคือไฟภายในซึ่งเกิดขึ้นในภายในและเผาบุคคลผู้นั่นเอง ถ้าไม่รู้จักดับมันเสียมันจะเผาให้ร้อนอยู่ร่ําไปดับเสียก็เย็นสบายดีเองใครเขาเกลียดเราก็ช่างเขาเพราะความเกลียดได้ทําลายสุขภาพทางกายและจิตใจของเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเกลียดตอบเพราะการเกลียดตอบเหมือนการไปต่อไฟจากเขามาเผาตัวเราเองด้วยคราวหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งโกรธพระพุทธเจ้าถือดาบไปทูลถามพระองค์ว่าบุคคลฆ่าอะไรเสียได้จึงจะนอนเป็นสุข ถ้าอะไรเสียได้จึงจะไม่เศร้าโศกพระพุทธองค์รตรัสตอบว่าฆ่าความโกรธเสียได้ไม่เศร้าโศกและนอนเป็นสุขคนที่ไม่โกรธตอบนั้นจะมีความรู้สึกตนว่าเหนือกว่าสูงส่งกว่ามองเห็นผู้โกรธตนเป็นเด็กไร้เดียงสาไปเขาอาจไม่พูดจาสนทนาด้วยกับคนบางคนแต่เขาไม่ได้โกรธแค้นหรือคิดปัทุสร้ายแต่ประการใดเพราะฉะนั้นเพื่อความสุขสําราญของท่านเพื่อสุข กภาพอนามัยทั้งทางกายและจิตใจของท่านท่านจงอย่างให้โทสะมีอำนาจเหนือท่านข้อว่าทุกเสมอด้วยการบริหารขันไม่มีนั้นอธิบายว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรวมกันเป็นอัตภาพนี้เจริญเติบโตขึ้นเพราะอากาศอาหารเป็นต้นมีภาระต้องให้น้ำให้ข้าวอยู่เสมอต้องขัดสีรูปไร้ออกกำลังพอควรต้อง รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บไข้คอยกําจัดและป้องกันสิ่งปฏิกูลทั้งจากภายนอกและภายในร่างกายนี้เป็นรังของโรคนานาชนิดภาระอันหนักที่สุดของมนุษย์และสัตว์โลกอื่นอื่นนั้นอยู่ที่การต้องคุ้มครองรักษาไว้ซึ่งขันหรืออัตภาพนี้ให้ยั่งยืนต่อไปในหมู่สัตว์ดิบฉานมันต้องทาร้ายกันประหัดประหารกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็ก ก็เพื่อความคงอยู่ของมันเองมนุษย์เราก็เหมือนกันกระเสือกกระสนทุกอย่างก็เพื่อให้ขันห้าดําเนินไปได้ด้วยดีบางคนต้องลงทุนทําบาปทํากรรมหนักเพราะเหตุแห่งอัตภาพนี้พระาศาสดาจึงตรัสว่าภาราหเวปัญจขันฑาขันห้าเป็นภาระหนักเลือเกินการวางภาระเสียได้จึงเป็นความสุขเหมือนคนแบกของหนักมานานปีพอวางลงได้และรู้ว่าไม่ต้องแบกอีกต่อไป ย่อมจะปราโมดเกินเปรียบความสุขที่เกิดจากวางภาระนีท่านเรียกว่าสันติสุขสันติสุขนี้ท่านว่าเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีสุขอื่นจะยิ่งกว่าวงเล็บนัตติสันติปรังสุขขังกล่าวโดยปริยายเบื้องสูงคือนิพพานสุขนั่นเองความสุขจากกรมที่เรียกว่ากรมมาสุขนั้นจึงเจืออยู่ด้วยทุกเป็นอันมากและเจืออยู่ทุกระยะ ความสุขจากฌานก็ไม่ยั่งยืนพอหมดกำลังฌานความสุขนั้นก็หมดไปด้วยเป็นความสุขที่เปลี่ยนแปลงได้ส่วนนิพพานสุขนั้นยั่งยืนไม่เสื่อมไม่เปลี่ยนแปลงจึงมากทั้งคุณภาพและปริมาณนิพพานสุขนี้มีสี่ขั้นตามขั้นแห่งอริยผลมีโสดาปฏิผลเป็นต้นพระาศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาบถีทรงปรารบหญิงสาวคนหนึ่ง มีเรื่องดังนี้ในวันที่หญิงสาวนั้นทําพิธีอาวาหะมงคลมารดาบิดาของเธอได้ถูลอาราธนาพระศ า, าสดาไปด้วยหญิงสาวนั้นทํากิจบํารุงภิกษุสงฆ์มีการกรองน้ําเป็นต้นเดินไปมาอยู่ฝ่ายเจ้าบ่าวยืนมองดูเจ้าสาวคงให้ความหมายว่าเจ้าบ่าวอาจ ไ, ไม่เคยเห็นเจ้าสาวของตนมาก่อนเลยเพราะประเพณีอินเดียโบราณ พ่อแม่จัดหาให้และในวันแต่งงานก็คุมหน้าด้วยผ้าบางๆมองเห็นไม่ชัดทำให้อยากเห็นอยู่เสมอเจ้าบ่าวยืนมองดูเจ้าสาวของตนด้วยดวงจิตที่รันจวนพิศวาสมองเพลินจนลืมบำ ร, รุงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์คิดแต่จะจับหญิงสาวอย่างเดียวพระาศาสดาทรงทราบอัจฉรยของเขาแล้วจึงทรงบันดานลฤทธิ์ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นไม่เห็นกัน เมื่อชายหนุ่มไม่เห็นหญิงสาวจึงได้ยืนมองดูพระศาสดาขณะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกเสมอด้วยการบริหารขันไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อจบพระธรรมเทศนากุมารและกุมารีได้บรรลุโสดาปติพลพระพุทธองค์จึงทรงคลายฤทธิ์ให้เขาทั้งสองได้เห็นกัน แสดงทมย่อๆเนาะไม่ผิดสดารมากแต่สำหรับผู้มีปัญญาก็สามารถที่จะขยายคำย่อนี้ให้กว้างขวางน่ว่าด้วยปัญญาแค่ 3-4 บาทคาถานีก็คนบรรลุธรรมเป็นหลายร้อยแล้วแสดงว่าคนแต่ก่อนนั้นเขาพร้อมเรียกว่ามีบา ร, รมีพร้อม ถ้าเปรียบดอกบัวก็พร้อมที่จะบานอยู่แล้วว่างั้นเถอะรอแสงอาทิตย์จริงๆแสงอาทิตย์ก็คือแสงธรรมแสงธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแค่ท่านแสดงสันส้นๆไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทษะไม่มีทุกเสมอด้วยการบริหารขันไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเท่านี้แหละสรุปไปในตัวเลยสีเหตสุสีผลสีโทษ ส, สี่คุณแล้วก็สรุป สรุปลงก็คือสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่ว่าความสงบในที่นี้ดังที่ท่านกล่าวเลยว่าหมายถึงความสงบกิเลสคือนิพพานหมายถึงความสุขที่ไม่เป็นสุขที่ไม่กลับทุกนั่นแหละนี่ยแต่ว่านิพพานที่ท่านว่าสีขั้นตอนแบ่งไปตามการบรรลุธรรมของพระรยาบุคคลตั้งแต่โซดาบัน ไปถึงพระรหัตถ์ที่บางทีว่านิพพานได้น้อยนะเป็นความสุขคือวันสุขก็สงบเหมือนกันแต่สงบไม่ท้าวอนก็เป็นความสุขที่หล่อเลี้ยงจิตใจได้นานเหมือนกันนี่โดยอาศัยธรรมโดยอาศัยปีติในธรรมปราโมทย์ในธรรมก็เป็นความสุขเหมือนกับนิพพานก็น่าคิดนะท่านอธิบายละเอียดดีเหมือนกัน ได้เรื่องกิเลสต่างๆมีราคาเป็นตนโทสะก็ดีเราปฏิบัติก็เพื่อละสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องผูกพันในใจหรือมีก็ให้มันลดลงได้มันเป็นความสุขความสุขได้ในปัจจุบั น, นถ้าให้สิ่งนี้มันก่อกวดในใ จ, ใจิตใจมันก็เป็นทุกข์จะหาอย่างไรมันก็ไม่พบบางทีก็ห ล, ลงทาง คิดว่าจะออกจากกิเลสแต่ลืมกิเลสพวกนี้เน mm ี่ยกลับไปเพิ่มม hear ันขึ้นคิดว่ามันเป็นความสุขสุขเพราะความพอใจสุขเพราะอยากจะทําสุขเพราะอยากจะสนองกิเลสนี่นี nope ่นี่นั่นก็สุขอย่างปุถุชนเนี่ยก็เลยดันเข้าหากลองไฟเนี่ยมันก็จะไม่ให้ร้อนมันก็ไม่ได้เนี่ยมันก็ไหม้ตนเองละไหม้ตนเองแล้ววิ่งไปหาใครก็จะไปไหม้คนอื่นนะทีนี้ดับยากเจงเรียกว่าไฟเสมอด้วยโทสะไม่มี